โปรไยช่างมีมากมายอย่าได้หามาแบ่งปัมท่านโปรฟังครับยูริซีแลคโตบาซิลัสเป็นจูริซีกลุ่มโปรไบโอติกหรือจูริซีที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมนุษย์จูริซีแลคโตบาซิลัสที่เรารู้จักกันดีพบในนมเครียวหลากหลายชนิดสำหรับงานวิจัยที่ทีมงานวิจัยของผม ได้ศึกษาเกี่ยวกับสมุนไพรข้าวตองมาตั้งแต่ปี2542นั้นเราพบจุลินทรีย์แลคตับเซลลัสชนิดก็คือแลกโตบาซิลัส KCI และแลกโตบาซิลัสแพนธารุมที่เกิดเฉพาะในน้ำหมักข้าวตองซึ่งก็ได้ทำการตรวจวิเคราะห์เชิงลึกโดยการตรวจดูการเรียงลำดับของกรดพมิโนที่ประกอบเป็น DNA ของจุลินทรีย์ทั้งสองชนิดหรือที่เรียกว่าวิธีการตรวจการเรียงตัว S DNA s e q u e n c เ n g เมื่อพบความแตกต่างเราก็ได้ไปจดทะเบียนจุลินทรีย์ชนิดใหม่นี้ในจีนแบงก์หรือธนาคารรหัสยีนระหว่างประเทศไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วในกระบวนการปลิดขาวตองที่ผมได้พัฒนาขึ้นมาจะเห็นว่าเราได้ริษการเพิ่มภูมิคุ้มกันจากแลคโอบาซิลัสทั้งสองชนิดนี้เป็นอย่างมากซึ่งจากการทดสอบในหนูที่ฉีดเซลล์ตายของแบคโอบาซิลัสโดยการต้มในน้ำเดือด สนาทีเข้าใต้ผิวของหนูทดลองเป็นเวลาสิบวันก็พบว่าพันังเซลล์ของแบคทีเรียแลโตับัตซิลัสทำให้ซีรัมหรือน้ำเลือดของหนูทดลองที่แยกเอาเม็ดเลือดออกแล้วมีคุณสมบัติฆ่าเชื้อก่อโรค5ชนิดในจานเพาะเชื้อก่อโรคเหล่านั้นได้เช่นกำจัดเชื้อโรคเช่น 1. ค่ฆ่าเชื้อเวอร์โคโดเรีย สุดมาเลีในจานเลี้ยงเชื้อตายได้ถึง 95.37 เปซเชื้อนี้ทำให้เกิดโรคเมลิออยเชื้อนี้พบได้ในดินในท้องนาแนนาและน้ำท้องร่องต่างๆโรคนี้มีความสำคัญทางการสาธารณาสุขของไทยโดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยเป็นเหตุให้เกิดอาการเจ็บหน้าอกกระดูกหรือข้อ ไอการติดเชื้อที่ผิวหนังปอดอักเสบจากการสำรวจพบว่าเด็กอิสานเคยติดเชื้อนี้ถึงร้อยละแแต่ปุ่มต้านทานที่ดีของเด็กเองทำให้เด็กรอดชีวิตมาได้หากการติดเชื้อนี้เกิดขึ้นในผู้ใหญ่และไม่รักษาอัตราการตายอาจสูงถึง 40% 2. ส่าเชื้อชิกเจล่าเฟเนอรี่ได้ถึง 100% เเซ เชื้อนี้ทำให้เกิดโรคบิดที่ถ่ายเป็นเลือดมีอาการไข้สูงร่วมด้วย 3. ขค่าเชื้อซามโอนีลาครุบบได้ 100% เซเชื้อนี้เกิดการติดเชื้อที่พบบ่อยในเด็กคือท้องเสียถ่ายเหลวติดเชื้อในกระแสะเลือดเยื่อบุสมองอักเสบเป็นต้น 4. s t ส p ตปโตคอคัสออเรียสได้ 99.87% เชื้อนี้ทำให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษสาเหตุ จากเชื้อสเตปโป c โคคัสออเรียสนั่นเองก่อให้เกิดอาการแบบเฉียบพัน์หลังรับประทานอาหารที่มีการปนเปื้อนเชื้อเข้าไป 5. เชื้อรูปเอสเตปโตโคคายท่าได้100้เอร์เซเชื้อนี้เป็นสาเหตุให้เกิดโรคอักเสบซึ่งเกิดหลังการติดเชื้อสเตปโตโคคัสกลุ่ม A ซึ่งเป็นเชื้อเดียวกับที่ทำให้มีอาการเจ็บคอหรือไข้ดำแดงจะเห็นได้ว่า จุลินทรีย์แลคโตบคทีเสจะเห็นได้ว่าจุลินทรีย์กลุ่มโปรไบโอติกหรือกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์สองสายพันธุ์ก็คือแลคโตบคซีเรีคาเซีและแลคโตแบคทีเรีแพรนทารุมที่พบในน้ำหมักข้าวตองมีคุณสมบัติกระตุ้นภูมิต้านทานในสัตว์ทดลองคือหนูได้ดีมากน้ำเลือดหนูสามารถฆ่าเชื้อก่อโรคที่มีความสำคัญ หรือขอให้เกิดอันตรายในคนได้ดีกว่ายาปฏิชีวนะหลายชนิดเสียด้วยซ้ําไปเป็นข้อคิดว่าหากในอนาคตเชื้อก่อโรคที่นํามาทดสอบดังกล่าวข้างต้นเกิดดื้อยาปฏิชีวนะที่ใช้กันอยู่ทั่วไปตามแนวโน้มที่เกิดขึ้นทั่วโลกในปัจจุบันเราอาจจะต้องกลับมาพึ่งสูตรยาสําหรับสมุนไพรขาวทองที่ผมได้พัฒนาขึ้นมานี้เป็นการแพทย์ทางเสริมมากขึ้นก็ได้สวัสดีครับ พ่วงเรื่องน่ารู้กอบสมุนไพรข้าวตองโดยเพศจักรอุดมรินคำเกิดแก่เจ็บตายกันทุกตัวตนหนีไปไม่พน้นจำต้องะจนโรคร้ายสุขยับ ยังตอนอยังไม่ตายโรภัยช่างมีมากมายอย่าได้หามาแบ่งปัา